เขาให้หลวงพ่อไปรับโป้ที่ขนแก่นวันที่แปดที่จะถึงเนี่ยหลวงพ่อเขาบออืมหลวงพ่อติดโธรนะนาวันที่แปดขอให้คนอื่นรับแทนได้ไหมเพราะหลวงพ่อก็เคยให้คนอื่นรับมาหลายครั้งแล้วทั้งอยู่ในกรุงเทพทั้งโป้โลกการศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการเขาให้หลวงพ่อไปรับโป้ที่กระทรวงศึกษา แต่หลวงพ่อก็ได้ให้ทางโยมทางกรุงเทพรับแทนเมื่อคราวที่แรวขอรับที่ข้นแก่นโล่เหมือนกันที่ทัภาคสี่ไม่นะตำรวจภาคสี่ก็ให้ทางโยมรับแทนทางเจ้าหน้าที่รับแทนแต่ปีวั น, นปีนี้ปีใหม่นี่ก็คงจะให้หลวงพ่อรับโล่อีกเหมกัน ปีนี้หลวงพ่อรวยนะรวยโล่นะปีนี้นะอันได้รับพระธัดุพนมทองคําด้วยเราก็รับโล่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยปีปีเนี้ยแต่พวกลูกหลานพระเนนก็คงจะอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อไปรับพระธัดุพนมทองคํานั่นะเป็นผลงานอะไรทําไมเขาจึงให้แต่ตามไม่จริงพระธาตุพนมทองคำเนี่ยเขาให้ หปีเนี่ยเขาให้คนหนึ่งบุคคลสําคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะให้สคนเหม น, นเถอะรางวัลน่ยรางวัลผู้ดีเด่นก็คือรางวัลพระธานุพนมทองคํารางวัลที่สอง่ะรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นรางวัลที่สมรางวัลสีกัลลประพึกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําปีพุทธศักราช2550นี่ก็มีการ มอบรางวัลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวคือสามรางวัลของมหาวิทยาลัยแต่ปีนี้เขาเอาผลงานของหลวงพ่อเข้าไปแข่งกับเขาว่างั้นเถอะหลวงพ่อก็เลยได้รับรางวัลพระธาตุปนมทองคำกับพระเทพพระเทพเป็นผู้มาในงานประธานปริญาบัตรแก่นักศึกษา ปริญญาตรีโทแล้วก็ถือโอกาสนี่แหละรางวัลดีเด่นของมหาวิทยาลัยเพราะนั้นหลวงพ่อได้รับโลในปีนี้นะได้รับรางวัลรางวัลพระทาตุพนมทองคำที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดี๋ยวหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังนะประกาศเดี๋ยวลูกหลาน บางคนก็หลวงพ่อได้รับอย่างไรไปดีไปแต่ถ้าอ่านใด้ฟังเหมือนกับอ่านยกย่องตัวเองแต่ตามไม่จริงไม่ได้ยกย่องนะอ่านตามความเป็นจริงอ่านตามตัวหนังสือว่างั้นะอะอ่านใด้ฟังตามตัวหนังสือเขาว่าอย่างไงพวกเราจะได้รู้เขายกย่องหลวงพอ่อพวกเรายังไงเขาด่าหลวงพ่อยังไงพวกเราก็จะต้องได้ฟังไว้ทั้งหมดนะทั้งสองหูว่างั้นอะแต่กหลวงพ่อทําคุณประโยชน์ทําทปประโยชน์อย่างไร แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ทำมาค้าขายไม่ได้หาเงินหาทองแต่เป็นสะพานบุญเชื่อมสำหรับพี่น้องประชาชนญาติโยมพระเนรถ้าว่าพระไม่ชักชวนไม่ชักชวนคนทำคุณงามความดีแล้วแล้วจะชักชวนอะไรให้ทานนะรักษาศีลนะภาวนานะอย่างให้ทานเนี่ให้ช่วยๆกันทำบุญทำทานเนะ เมื่อตัวเองตัวเองก็ทำฐานด้วยไม่ใช่จะชนแต่คนอื่นเนงินจะตกปัจจัยที่ศรัทธา ญ, ญาติโยมมาทีละนิดทีละหน่อยก็สร้างโรงล่ำสร้างโรงเรียนให้แกโรงพยาบาลเนีย่ยอย่างเนี้ยแต่ว่าสิ่งทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าเพื่อชื่อเพื่อเสียงแล้วก็ไม่เป็นไม่ดีว่างั้นเถอะพราะเราเป็นเป็นพระเราทำเพื่อชื่อเสียงแต่ถ้าไม่ทำเพื่อชื่อเสียงทาไมจึงได้รับพระาธาตุพนมทองคำ อันนี้เป็นเขามองเห็นเฉยๆแต่หลวงพ่อไม่ได้ขอไม่ได้ประกาศว่างั้นแต่หลวงพ่อเองอยูเฉยๆ่างนันแต่แต่คณะลูกศิษย์เขาเนะ่ะเขาว่าอื้อหลวงพ่อทำคุณประโยชน์ให้แกประเทศชาติน่าจะเสนอ ล, ลายชื่อของหลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อไม่แนะนำว่างั้นแต่หลวงพ่ อ, อได้ยินคำท่านเจ้าคุณวัดเจดีย์หลวงหลวงปู่วัดเจดีย์หลวงท่านบอกว่า ถ้ามัวเมาแต่จะดังชีวิตจะพังเพราะชื่อเสียงท่านว่านะฟังฟังดูแล้วก็เข่าท่าของท่านนะถ้ามัวเมาแต่จะดังชีวิตจะพังเพราะชื่อเสียงเพราะชื่อเพราะเสียงของตัวเองมันงั้นแต่ทำอะไรกับเพื่อชื่อเพื่อเสียงเอออันนี้อันนี้เราไม่ได้พักวังบม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียง เราทำเพื่อปุญกุศลเราทำเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์คนในชาติอย่างซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้ยลงร่ำโรงเรียนอย่างนี้สงเคราะห์ในสถานที่ต่างๆอย่างเนี้ยเราทำเพื่ออะไรชื่อเสียงเราหวังอะไรเราต้องการอะไรเอามาให้ร่างกายอีกร่างกายอี ก, อกสักวันหนึ่งร่างกายทีจะมีแต่กระดูกเขาไปเผาไฟทิ้งเราจะไปต้องการอะไรถ้าคิดในแง่ของธรรมะ พระกรรมาฐานแล้วทําอะไรก็ตามเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติถ้าเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยต่างคนต่างสงเคราะห์อนุเคราะห์กันพื้นแผ่นดินไทยก็จะร่มเย็นเป็นสุขเติมเมตตาซึ่งกันและกันแต่ถ้าหาว่าคนในชาติเกิดมาแล้วแหลงน้ําใจเห็นอะไรมีแต่จะกอบจะกกยมีแต่จะแก่งจะแย่งกันเห็นอะไรมากกว่านั้นก็คาด ชิงวิ่งราวกันอชิงดีชิงเด่นกันรบฆ่ากันจะน่าอยู่ไหมเมืองไทยของเราถ้าหาว่าทุกคนมีเมตตาต่อกันหลวงพ่อว่าเนี่ยะความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินเพราะนั้นเขาจึงได้ประกาศจนนี้ขึ้นมาใกล้ใกลว่าให้เป็นตัวอย่างเตี๋ยวหลวงพ่อได้แล้วหลวงพ่อกันได้แล้วเอาเก็บไว้นั่นละ่ะ แต่ก็ดีไหมก็ดีดีในชุมชนและสังคมถ้าหางว่าจะถือว่าอันนั้นเป็นดีเลิศใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังว่างั้นะอันนั้นเป็นผลพลอยได้เมื่อเมื่อเราทำคุณงามความดีในเมื่อเราทำคุณงามความดีแล้วมันก็เป็นรางวัลได้มาแบบโลกจัดว่าเป็นโลกธรรมแปดมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรเสริญ สุขทุกข์ให้รู้เอาไว้ถ้าว่ามีราบมียศมีคนสระเสริญเนมีคนสนะเสริญมีสุกเราก็จมคาถาเอาไว้นะสาธยายคาถาเอาไว้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราอย่าไปคิดว่ามันจะยั่งยืนถาวอนมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่กชั่วระยะหนึ่งจากนั้นมันก็ดับไปทั้ง เสื่อมลาบก็เหมือนกันเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกก็เหมือนกันเราก็ต้อ ง, งไล่มนจมคาท้าไปอีกเหมือนกันเก uh ิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือทั้งสองเงื่อนเนี่ทั้งสิ่งที่ปรารถนาและสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งสองเงื่อนให้รู้เอาไว้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่า ย, ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนา นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนะสอนพุทธบริษัทของพระองค์สอนพวกเราท่านทั้งหลายนะเนี่ยหลวงพ่อจะอ่านใบประกาศเกียรติคุณให้พวกเราฟังนะเขาว่าอย่างไงนะคำประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคําประจําปีพุทธศักราช2550 พระอาจารย์อินถวายสันตุสโกเจ้าวาดวัดป่นนาคำน้อยตมบลบ้านกล้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีเป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้มีปฏิปทาอัน ง, งามปฏิปทาดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเป็นที่รบศรัทธาของชาวพุทธทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่นทั่วประเทศท่านพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกเป็นพระผู้มีจิตเมตตาสูงยิ่งได้เล็งเห็นความสาคัญ ในเรื่องการศึกษาของเยาวชนในชุมชนจึงได้สงเคราะห์ก่อสร้างอาคารเรียนเริ่มแต่ศูนย์การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาได้สร้างอาคารเรียนรวมทั้งสิ้น20ิหลังเป็นมูลค่าเงินที่ได้รับจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธากว่า60ล้านบาทนอกจากนี้ อาจารย์อินถวายยังได้ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่อาจารย์และเด็กนักเรียนในชุมชนอย่างสม่าเสมอเป็นเวลานา น, านกว่ายี่สิบปีพระอาจารย์อินถวายจันตุสโกได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนโดยได้สงเคราะห์อุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆกว่า10แห่งมีมูลค่ากว่า14ล้านบาท และยังเป็นผู้ริเริ่มเป็นประธานในการพัฒนาหอสงอาพาตแห่งใหม่ของโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทย์ยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นในพื้นที่ชั้นที่สิบของอาคารสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสร อ, อาคาร19เกชั้นและที่สำคัญเพื่อน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชสุขสุศ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโวโรากาสในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพชนพรรษา80พรรษารวมการดำเนินงานปรับปรุงหอสงอาพาดการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยบทบาทที่ท่านเป็นกำลังสำคัญผลักดันครั้งนี้เป็นเงินสูงถึง13ล้านบาท นอกจากนี้พระจันทร์อินทวายสันตุสโกโยังริเริ่มก่อตั้งกองทุนหลวงปู่มั่นภูริศโตเพื่อสงอาพาธสำหรับใช้ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในหอสงอาพาธในระยะยาวเพื่อพระสงฆ์จะได้ทำหน้าที่ในการสั่งสอนอบรมพุทธศาสนิกชนเป็นการสืบต่อและธนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ยืนนานอย่างมั่นคงยิ่งจึงนับว่าพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกโเป็นผู้มีเกียรติคุณดีเด่นจึงเห็นสมควรยกย่องให้ได้รับรางวัลพระาธาตุพนมทองคำประจำปีพุทธศักราช2550เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปนี่แหละหลวงพ่ออ่านตามตัวหนังสือนะเขาเขียนมาว่าอย่างนี้ก่อนที่ ได้รับรางวัลพระาธาตุพระนมทองคําเขาอ่านอย่างนี้เะก่อนนะแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นอีกสองคนแล้วก็รางวัลที่สามนี่เป็นรางวัลคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสีกระพึกสรุปแล้วก็คือสามรางวัล น, นี่แหละที่หลวงพ่อได้รับเมื่อวันที่สิบแปดธันวาคมที่ผ่านมาที่ตึกการจนาพิเศษ วันนั้นก็มีนักศึกษาเข้ามารับปริญญาห 6,000 ัน 5, 6, คนมั้งแต่หลวงพ่อรับเป็นองค์แรกที่ตึกหลังนั้นพระเทพเป็นผู้ถวายหลวงพ่อรับกับพระเทพนี่แหละอันนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนสังคมเป็นปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาเป็นหลักนะท่านบอกว่าเมื่อเราอยู่ในโลกเราก็ควรจะช่วยโลกเท่าที่จะช่วยได้ก็ไม่หนักหนา ถ้าว่ามันหนักหนาก็ไม่ควรจะทําอันนั้นถ้าว่ามันได้มาโดยเป็นธรรมแล้วก็สงเคราะห์โดยเป็นธรรมในเมื่อเขาให้มาเราจะไปเก็บไว้ทั้งหมดก็ไม่น่าจะถูกถ้าได้มาแล้วจะให้เขาไปทั้งหมดก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันก็แบ่งใช้แบ่งสงเคราะห์อนุเคราะห์ไปพี่น้องประชาชนญาติโยมเขาทําบุญกับเราเขายังทาไดแต่เมื่อเราไดรับแล้ว เราจะช่วยสงเคราะห์ชุมชนสังคมไม่ได้เหลยแต่ถ้าว่าพอช่วยได้หลวงตาท่านก็ให้ช่วยนะอย่างที่หลวงตาท่านช่วยนะะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละหลวงพ่อเขาว่าหลวงตาที่ทาถูกหลวงพ่อเองเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับองค์หลวงตาเห็นด้วยกับครูบาอาจารย์ที่ช่วยเหลือชุมชนและสังคมแต่ถึงยังไงก็ไม่ให้ออกนอกลูก่นอกทางจนเกินไป แต่ละวันกับไปหาเที่ยวเลียอะไขอคนมาเพื่อทําบุญอย่างนั้นก็ไม่ถูกแต่ไม่พูดไม่กล่าวเฉยก็ไม่ถูกทางญาติโยมมาผู้มีอันจะกินเออช่วยกันเนอะเครื่องมือแพทย์เนอะหลวงพ่อลงไปกรุงเทพข่าวทีแล้วหลวงพ่อก็พูดทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเขาอยากจะได้เครื่องส่องลำไส้รนะาคาสองล้านเกหลวงพ่อก็บอกกับสัทายาญาติเยวเออถ้าได้เป็นไปได้หลวงพ่ออยากจะได้สักสองเครื่องมา แต่ไม่ต้องหนักหนานะถ้าผู้มีไม่เดือดร้อนตนเองก็ช่วยๆกันก็ดีช่วยทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ช่วยหลวงพ่อนะช่วยประเทศชาติบ้านเมืองถ้าผู้ใดทำมาค้าขายพอมีอันจะกินก็ควรจะช่วยเหลือชุมชนและสังคมแต่หลวงพ่อหนักใจไหมถ้าหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่หนักใจเพราะเหตุไรหลวงพ่อก็ถือว่าพี่น้องชาวภาคตะวันออกเสียงเหนือ ถ้าได้เครื่องมือตัวนี้มาก็จะดีจะได้ตรวจแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มากก็ถือว่าพวกเราท่านทั้งหลายมีบาปกล้ำเกิดมาขี้เกียจทําบุญทําทานในอดีตชาติเกิดมาในสถานที่ยากจนเกิดมาแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเครื่องมือก็ไม่ไม่ค่อยดีแสดงว่าเรามีกล้ำแต่ถ้าว่าเราได้ช่วยเขาก็เออดีพี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นผู้มีบุญได้ใช้เครื่องมือตัวนี้ไม่ต้องผ่าตัด พอรู้แล้วว่าเป็นธรรมดาเป็นโรคธรรมดาเขาก็ใช้เครื่องมือตัว น, นี้รักษาแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเจ็บปวดท้องเข้ามาแล้วหาสาเหตุไม่ได้เขาผ่าทัน ท, ทีเลยผ่าเขาไปดูว่าเป็นอะไรแต่ถ้ามีเครื่องมือตัว น, นี้เข้าไปแล้วก็ต้องไปตรวจดูก่อนว่าเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคเป็นแผลธรรมดาถ้าเป็นแผลธรรมดา เ, เอาเครื่องมือเขาไปตรวจ ด, ดูแลเข า, าก็ใช้ยาใช้เครื่องรักยารักษาเขาไปเขาไม่ต้องผ่า แต่หมอเขาก็มีความสามารถอย่างไรเขาก็ทำอย่างนั้นในเมื่อเขามีเครื่องมือมีมีดเล่มเดียวเขาก็ต้องใช้มีดของเขาเล่มนั้นมากที่สุดแต่ถ้าเขามีเครื่องมือที่ดีกว่านั้นเขาก็ต้องใช้เครื่องมือที่ดีกว่านั้นถ้าก่อนที่เขาจะมีเครื่องมือที่ดีก็ต้องทางรัฐบาลหรือพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนเขาเมื่อใครให้การสนับสนุนหมอหมอก็รักษาพี่น้องประชาชนมันก็เกี่ยวเนื่องกันไปอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเอง หลวงพ่อพูดกับใครก็ตามช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เนอะถ้ามีอันจะกินหลวงพ่อไม่กระดากเพราะเหตุไเพ่อหลวงพ่อบอกกล่าวถ้าเขาทําก็เป็นบุญของเขาถ้าเขาไม่ทําเราไม่รู้จะไหว ย, ยังไงเนีเราก็ไม่ต้องหนักใจอีกเดี๋ยถ้าหลวงพ่อมีกําลังหลวงพ่อก็จะาชื่อเลยเหมาอนกันเถ อ, เอะเหลวงพ่อสร้างโรงเรียนกเหมือนกันถ้ามีจหรับของเราพอเองญาติโยมถวายทีละนิดทีละหน่อย เราก็เก็บเกี่ยวไว้เป็นก่อนแล้วก็สร้างได้แต่ถ้าหางว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องบอกกล่าวเป็นสะพานบุญให้ช่วยๆกันทำบุญทาทานแต่ที่ผ่านๆมาก็หลายรายการนะอย่างตึกสงอาพาดหลวงพ่องบประมาณสิบกว่าล้านก็ผ่านๆไปแล้วนะไม่มีปัญหาแต่เครื่องมือแพทย์อย่างที่ว่านั่นอันนี้ก็เป็นแนวความคิดนะ วันนี้หลวงพ่อได้พูดทางว่าไม่พูดพวกเราก็ไม่รู้ทางว่าพูดให้ฟังลักษณะเหมือนกับขี้อวดใตาตาไม่จริงไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นเราอยู่ในเพื่อนมนุษยชาติเราต้องมีเมตตาต่อกันเราต้องสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันทางว่าพวกเราอยู่ในโลกไม่สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันแล้วใครจะเป็นคนมาสงเคราะห์เราคนในชาติไม่มองกันแล้วใครจะมามองเรา พผะนั้นพระสงฆ์ที่เป็นแกนนําของพี่น้องประชาชนพระสงฆ์ไม่นําแล้วเราจะทํำยังไงอย่าง อ, าองหลวงตามหาบัวอย่างนี้นท่านก็บอกเอา้าเราจะช่วยเครื่องมือแพทย์นะต่างคนก็ต่างเอามาจากนั้นก็ท่านก็ให้ไปถ้าพระสงฆ์ไม่พูดต่างคนก็ต่างทําไม่มีกําลังไม่มีกําลังถ้าว่ารวมกันแล้วหลายคนมารวมกันเป็นจุดหนึ่งพระเป็นผู้นําจุดหนึ่งเป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับเอา ได้มาเท่านี้เนอ้อจ่ายไปเท่านี้เนอ้อเนี่ยแล้วก็เพื่อชุมชนและสังคมของพวกเราอันนี้แหละไอนน้สรุปแล้วก็คือเป็นสะพานบุญเท่านั้นเองนะหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอะไรเฮหลวงพ่ออายุมากแล้วอีกไม่กี่ปีก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกเหมือนกันได้ชื่อได้เสียงมาได้มาเพื่ออะไรต้องการอะไรอหลับยศสรรเสริญก็ได้มาก็อย่างนั้นแ่ะเหมือนพระได้วีอย่างนั้น อารับพรเดนอนุมโมทนาให้พร